สัพพะปัจจัาากากรณังกุศลาสูปัสมดาสจิตตปริยทปปนังเอตังพุทธัสสนันติเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะจิตใจสูงเหมือนนกยงปีดีที่แววขน ธาตใจต่ำเป็นได้เพียงเป็นคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวสารกว่าสัตว์ทั้งผองขอพูงหวนพวกเราทั้งหลายจงไตรตรองยึดขันลองความเป็นธรรมนำจิตใจเกิดขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาเป็นวันที่หกของเดือนมกราคมเป็นวันแรมสามค่ำของเดือนสองการเวลาผ่านไปผ่านไปมันมีส่วนกับสุขภาพทางด้านรูปขันที่เราเรียกว่าร่างกาย รูปขันธ์การเวลาผ่านไปผ่านไปเขาก็ทาหน้าที่ในรูปแบบที่เรียกว่าธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติที่มีส่วนกับความจริงฉันั้นในฐานะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีศักยาภาพ เราก็เรียกกันว่ามนุษย์แปล ว, ว่าสัตประเสริฐํำนองนี้ที่ได้นามว่าสัตประเสริฐนั้นเพราะมันรู้จักในการพัฒนาการปรับปรุงการฝึกฝนการปรับปรุงหรือการฝึกฝนมันก็มีส่วนให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเราก็มามีส่วนสำรวจตรวจให้มันมีความเข้าใจอย่างถูกต้องให้มันมีความเข้าใจอย่างไม่มีความรู้สึกบอกพร่งเพราะคําว่ามนุษย์หรือธรรมนั้นก็พอที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าคือธรรมชาติมนุษย์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรม มีส่วนประกอบด้านวัตถุด้านนามธรรมทำลองนี้ด้านวัตถุก็รู้จักกันอยู่แล้วว่ามีบุคลิกอย่างไรบ้างเราก็พอที่จะเห็นกันอยู่แล้วว่ามันมีบุคลิกขวงศอกกรรมยายวานาคือ และก็มีส่วนประกอบกับสิ่งที่เป็นวัตถุมารวมกันเป็นรูปเป็นร่างเราก็เรียกในรูปแบบของบุพผาจา์หรือบุปกาลีบุพผาจา์หรือบุปกาลีให้ข้อมูลว่าร่างกายประกอบไปด้วยธาตุจะเป็นธาตุเหล็กสังกะสีอะลูมิเนียมโพแทสเซียมไอออิน หรือเดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณสภาวะเหล่านี้มาทำหน้าที่รวมกันเป็นรูปเป็นล่างและกระทำหน้าที่ในรูปแบบสามัญญาแห่งสัจธรรมมีการเจริญขึ้นและมีการเสื่อมสภาพลงเราก็พอที่จะประเมินออกได้ว่าเมื่อมีส่วนประกอบอย่างนี้ คงจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่สาภาวะที่คงทนสาวรและไม่ใช่สาภาวะที่จะตั้งอยู่ตลอดกาลวาระสุดท้ายก็กลายไปสู่สาภาพเดิมไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นของของตนจำจ้องละชิงทั้งปวงไป ที่ให้คิดอย่างนี้ที่ให้ทำความรู้สึกอย่างนี้คือเรามีส่วนปรับตัวปรับตัวมองให้มันรอบครอบปรับตัวมองให้มันแจ่มแจ้งถ้าเราปรับตัวมองให้รอบครอบแจ่มแจ้งความรู้สึกของเราก็จะลดลดความรู้สึกในรูปแบบ วางวางแล้วเบาถ้าเอาแล้วมันหนักทำหนองนี้เราก็มีส่วนปรับตัวอย่างนี้เพื่อลดสิ่งที่มันมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีความรู้สึกมีทษมีอันตรายทำหนองนี้ อันนี้ท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายนั้นมากาหนดดูในรูปแบบเขาของผู้เข้าสู่ใส้ล้มภาคกาสวาพัฒมุปาจาร์ท่านจะชี้มาที่ตรงนี้เลยชี้มาตรงที่ที่เรียกว่าอาการอันเป็นส่วนประกอบของด้านรูปธรรมถือเป็นอารมณ์ให้เกิดความสงบใจ จำนอกนี่ภาษาพระเขาเรียกว่ากรรมฐานกรรมก็หมายถึงการกระทำฐานก็หมายถึงที่ตั้งที่ตั้งของการกระทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีความสงบใจท่านก็จะแนะนำมาที่ตรงนี้เราทั้งหลายผู้ที่มีส่วนได้ มีส่วนได้สัมผัสก็พอที่จะรู้ว่าท่านให้ข้อมูลอะไรบ้างองค์ประกอบหรืออาการของด้านลูกขันถ้าเรียกว่าฐานหรือเป็นโมนโมนให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดยอมใจเรียกว่าโมลก ร, รมฐานทำเรองนี้แหละเอามาคิดดูกันได้กันบ้างท่าน ให้ข้อมูลเรื่องอะไรก็เป็นส่วนประกอบที่เรามีอยู่แล้วเช่นแก่สากเรียกว่าผมล้อมาก็เรียกว่าขอนหนัาขาก็เรียกว่าอ่าอ่าท่านตาก็เรียกว่าฟัน จ, จัน๊กจอกหนังดำนอกนี้เราเอามามีส่วนเป็นอารมณ์มองตัวมองตอนในแง่เรียกว่า สภาวะที่มีส่วนบง่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความไม่คงทนถาวรเราจะลดอะไรลงได้บ้างอย่างน้อยก็ต้องลดความสาคัญตัวสาคัญตนเพราะความสำคัญตัวสาคัญตนนี้มันมีส่วนบดบังทำให้เราเพลิดเพลินมัวเมา และกรกกอให้เกิดความประมาทท่านให้นำเอามาเป็นส่วนประกอบเพื่อวางตัววางตนให้เกิดความสงบมีสภาวะอันเป็นส่วนประกอบเรียกว่าด้านลู ป, ประธรรมแล้วก็เห็นเป็นแต่ศักว่าธาตุหรือเป็นแต่สักว่ากายหรือ เป็นแต่ศักว่าทำทำหนังนี้แต่เรามีส่วนวางอย่างนี้เรามีอารมณ์เป็นยังไงเรามีอารมณ์จะพลอยมีความรู้สึกสงบไปด้วยมีจิตใจก็พลอยสงัดไปด้วยคำว่าสงัดหรือสงบนั้นคือมันมีส่วนไม่ทําให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล อยู่ในอารมเรียกว่าสะอาดทํานองนี้คําว่าสะอาดเราก็พอรู้จักกันอยู่แล้วสักอาดกายเรียกว่ากายวิเวกอืมสะอาดใจถ้าเรียกว่าจิตตะวิเวกทำนองนี้ถ้ากายวิเวกเขาเห็นเป็นแต่สักว่ากายเป็นแต่สักว่าธาตุเป็นแต่สักว่าธรรมไม่ได้ถือว่า พื้นที่นี้ของทนสาววรเป็นพื้นที่ที่มีส่วนของความเปลี่ยนแปลงเรามองกันอย่างนี้เราจะเกิดความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ว่างพื้นที่ที่ไม่มีอันตรายเพราะจิตสงบอารมณ์สงับเราจะอยู่ในอาดิยามดไน จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีความสุขสุขประเภทนี้จะเรียกว่าสุขจากความสงดนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยี่กว่าความสงดัดสงบไม่มีอันนี้ให้เราไต่ตรองดูให้เราไขาควรดู ให้เรามีส่วนกำหนดดูการกำหนดดูจะเห็นความจริงจ ะ, ะเข้าใจความจริงด้วยกำ่าความจริงคือสัจธรรมสิทธรรมของชีวิตก็ว่าได้เหมือนกับร่างกายสัจธรรมของร่างกายที่เรียกว่าสัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิดเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่ตำนองนี้แหละ มองกันอย่างนี้ถ้าเรามีส่วนมองอย่างนี้เราเกิดความรู้สึกเรียกว่าเหมือนเราอยู่ในพื้นที่อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าปราศจากทุกโทษไม่มีทุกไม่มีโทษอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีมุมมองมุมมองให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจ อีกประเภทหนึ่งก็เป็นมมมองเหมือนกันที่เราเรียกว่านามนามก็มักจะพูดว่าเป็นสุขภาพสุขภาพทางด้านจิตด้านอารมณ์คนเรามีส่วนประกอบอย่างนี้จิตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพถ้าจิตใจส่องมองจิตใจคุณเครื่องอารมณ์ เรียกว่าไม่สะอาดท่านเรียกว่าเป็นจิตใจที่เรียกว่ามีส่วนของความไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดในหลักการที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมท่านให้ข้อมูลในลักษณะอย่างนี้จิตสัมปยุทธ์ ด, ด้วยอากูสนจำแนมนี้แหละอากูศนก็คือบะที่เรามักพูดว่าความเสื่อม ความเสื่อมความรู้สึกที่ไม่มีความรู้สึกมีความสุขทํานองนี้แล้วก็ต้องมีส่วนมากําำนดโดบ้างฉะนั้นเรามีส่วนประกอบอย่างนี้อยู่แล้วภาษาท่านเรียกว่าธรรมที่มีอุปกรณมากพอรู้จักกันอยู่แล้วธรรมที่มีอุปกรณมากคืออะไรก็ไม่ใช่วัตถุแต่มันเป็น ส่วนหนึ่งของด้านความรู้สึกที่เราเรียกว่าสัญนชาติยานที่สรรมชาติเขาให้มาความมีสตินั่นแหละเราทุกคนถ้ามีส่วนประกอบเหล่านี้อยู่แล้วเราต้องมีลักษณะมีสติสำรวมสังวรละวังเมื่อมีส่วนเกี่ยวกับด้านนามซ้รมจิตใจที่เรียกว่า เศรมองอารมณ์คุณเครื่องเราจะต้องมองดูเองเราต้องกําหนดดูเองว่านี้คือสภาวะอันมีส่วนของความรู้สึกที่จะเป็นที่มาที่มาของโทษที่มาของเวรและภัยก็มาจากความรู้สึกอันนี้ภาษาหลักการที่เรียกว่าจิตสัมปยุตด้วยอากุศลอย่างน้อยก็โทษสมุน จำนอกนี่อาการของทอสมองคือจิตใจที่เล่าร้อนอจิตใจที่เล่าร้อนก็จิตใจที่มีความรู้สึกไม่มีความสุขเพราะความทุกข์นั่นเองอันนี้ท่านให้ตั้งสติตั้งสตดิดูความรู้สึกอันนี้ว่านี้คืออะไร ทานองนี้ตั้งสติดูจิตอัศมประยุทธ์ด้วยอากุศลแต่เราต้องอาศัยจุดยืนอย่างน้อยก็ต้องรู้จักอดกันอดทนทํานองนี้แหละฝึกความรู้สึกหนักแน่นให้มันมีส่วนประกอบถ้าเรามีส่วนของความหนักแน่นถึงจะมีลักษณะคุณเครื่องมีอารมณ์ที่เรียกว่าเศร้ามอง เราไม่ได้ให้การสนับส น, นุนเราไม่ได้ให้การส่งเสริมทำนองนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนพลังงานพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเช่นไฟทำนองนี้ถ้าถือว่าไฟแล้วมันมีทั้งคุณทั้ง อ, อ่าไม่ใช่ว่ามันมีคุณอย่างเดียวมันมีส่วนของความมีททษอยู่ด้วย เราก็มากำหนดดูกาหนดดูความรู้สึกอันนี้เห็นเป็นแต่ศักว่าจิตเห็นเป็นแต่ศักว่าอารมณ์ไม่ได้ถือว่าเป็นเราเป็นเหมือนกับว่าสิ่งแปกปลอมที่มันมีส่วนมาหมดบงังภาษาบุปราจารย์ท่านจึงเรียกว่ามองเมฆบังจันนอารมณ์บังจิต ทานองนี้ถ้าเรามีสติเรามากำหนดดูอย่างนี้เราก็ต้องวางปงให้มันได้วางปงลงตรงไหนมันไม่ใช่วัตถุแต่ต้องวางปงในหลักสัจจะของความเป็นจริงทั้มนองนี้ก็ไม่มีอะไยมากเหมือนกับเรามีส่วนของการกระทากันอยู่เป็นประจำการกระทาที่เรา ทำกันอยู่เป็นประจำเราเรียกว่าฐานะฐานะหมายถึงการวางการวางการป้องเรื่องทำนองนี้เหมือนเราปองของหนักนี่แหละเราปองว่ามันเป็นสภาวะไม่มีอะไรเป็นแต่สิ่งที่มันมีส่วนแล้วก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดำไปการเวลาผ่านไปมันมีส่วนของการเปลี่ยนแปลง เหมือนแบบพ่อบลาหลุดเราพูดอยู่เสมอว่าดูน้ําเห็นใจป่าการเวลาก็ต้องรู้จักใจตดทํานนองนี้เราอยู่ด้วยความเป็นผู้มีคุณอันมีส่วนของความอดกั้นอดทนจะทําให้เป็นบุคคลที่เรียกว่าอมีพลังมีพลังมีความรู้สึกเป็นที่แกรงขามทํานนองนี้ ดังความอดกันอดทนต้องฝึกต้องอาศัยการฝึกฝึกเข้าใบไ ย, ย้นานๆเข้ามันก็ชำนาญเหมือนเราอยู่ในสภาพในการเป็นอยู่ในสังคมที่เราเรียกว่าโลกธรรมเขานินทามาเราอยู่เฉยๆเรามองอยู่เฉยๆแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าเขาว่าเราไม่ดี เรามันก็ถ้าเรามองในแง่ความจริงแล้วมันก็ไม่คงทนจริงๆไม่หนักไม่ถาวรจริงๆทำนองนี้ก็ว่ามันไม่ดีนั่นแหละอันนี้ก็ต้องมองอย่างนี้ถ้าเรามองไปอีกก็เห็นว่าเขามีส่วนระบายระบายความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองอันมีส่วนของความตกต่างใจ เรามองไปอย่างนี้จะเกิดความรู้สึกในรูปแบบว่าสงสารแล้วก็มีเมตตาด้วยเห็นว่าสภาพของเขามีส่วนของความไม่ไมบริสุทธิ์จำนองนี้อันนี้ก็ต้องทำให้หน้าที่ในรูปแบบของความเป็นผู้มีสติเป็นห ล, ลักเรามีสติแล้วเอามาใช้ เอามาใช้ในการอยู่ร่วมกับสังคมเพราะเราเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วจะหลีกเลี่ยงกอ็ไม่ได้อุปกรณ์ในการมีส่วนกับสังคมเราก็มีอยู่แล้วเช่นเรามีตามันต้องได้เห็นทํานองนี้มีหูมันก็ต้องได้ยินได้ฟังทํานองนี้ถ้าเรามีส่วนอย่างนี้เรามีสติเราก็กําหนด กำนดเหได้ยินก็เป็นแต่สักว่าได้ยินได้เห็นเป็นแต่สักว่าได้เห็นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกอันเป็นส่วนหนึ่งของความเพลิดเพลินนั้นชักจูงเพราะความเพลิดเพลินที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความพล่งภาษาหลักการถารีกว่ากิเลสหรือตัณหาตํำนองนี่คำว่กากิเลสก็หมายถึงเครื่องเศ้าหมอง ตัณหาก็หมายถึงความอยากอความอยากนั้นมันมีทั้งบวกทั้งลบความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นมันก็มีอยู่แล้วแต่เรามีส่วนมีสติกำนอดโลอย่างนี้เราจะเห็นว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็อย่าเพุ่งไปมีส่วนส่งเสริมอย่ามีส่วนแตะต้อง เหมือนบุพการย์ท่านให้ข้อมูลว่าฟังแต่หูดูแต่ตามืออย่าต้องของจะหายาำนองนี้เราคิดโนใครควนโนก็พอที่จะรู้จักว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีส่วนส่งเสริมให้เรามีความรอบครอบ ม, มากขึ้นถ้าเรามีความรอบครอบ ม, มากขึ้นเราก็ปลอดภัยล้วก็เกิดความรู้สึกปลอดภัยเหมือนเราใช้ยวดยานนี้แหละ ใช่อย่างละมัดละวังมันก็ทำให้เกิดความสะดวกและก็ปลอดภัยด้วยอันนี้ก็เช่นกันรอกับวิถูการอยู่ร่วมในสังคมเราถอดเลี่ยงไม่ได้จะอยู่ในพื้นที่ไหนสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีส่วนมีสติอยู่ในโลกแบบผู้โลกผู้ตืน ที่เรามักเสละเสริญว่าพุท ธ, ธะหรือพุทธโธมันก็พอที่จะเห็นได้พอเห็นอะไรที่ควรจะส่งเสริมอะไรที่ควรจะลดละทำนองนี้ถึงกับบุพาจารย์ให้ข้อมูลมาในรูปแบบการนอมเพญคุณงามความดีท่า น, นบอกว่าละความชั่วปฏิบัติความดีเหมือนดังที่อาดามาได้ให้ข้อมูลมา ในรูปแบบเบื้องต้นนั้นถ้าเรารู้จักในลักษณะอย่างนี้มันก็พอเข้าใจกันได้การไม่เบียดเบียนการไม่ทําลายเหมือนกับว่าเรามีญาติเหมือนแล้วกับเรามีเพื่อนทํานองนี้ถ้าเรามีญาติเรามีเพื่อนเราก็ไม่หวัดละแวงกเราก็มีความรู้สึกมีความสุขทานองนี้การไม่ กระทำอะไรต่างๆในทางที่มันมีส่วนขัดแย้แล้วก็ทำหน้าที่ในรูปแบบเรียกว่าผู้รู้ผู้ผตืรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำนองนี้ก็มาดูกันอย่างนั้นถ้าเราดูกันอย่างนี้อย่างรอบคอบถูกต้องท่องแท้เราจะเข้าใจคำสอนหรือเข้าใจสิ่งที่พระ อ, องค์ นำพาถ้าพระ อ, องค์นำพาเราเราก็รู้จักอยู่แล้วว่าท่านทาในรูปแบบให้เราได้ประโยชน์นประโยชน์อันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่เราเรียกว่าเยือกเย็นคำว่าเยือกเย็นภาษาคือไม่ไม่มีอันตรายทำนอกนี้แต่เป็นภาษาที่ใช้ก็เรียกว่านิพาน นิพพานแปลว่าเย็นใจเย็นเป็นยังไงเป็นที่มาของเพื่อนมิตรทานองนี้ก็พอรู้จักกันอยู่ถ้าเป็นส่วนประกอบอีกที่ท่านเรียกว่าปรินิพพานหนึ่งมันดับหมดแล้วความร้อนมันดับหมดแล้วมันมีแต่เย็นทานองนี้อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นสภาพที่ยังไม่มีมีเหมือนเราเที่คล้องนาคแน่นแหละ อ่าเรารู้จักด้วยตนเองเลยว่ามันเป็นอาการยังไงอันนี้ก็คล้ายๆกันเราฉะนั้นการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเราก็มักพูดกันว่าปฏิบัติธรรมจะเป็นธรรมภัยขาวหรือจะเป็นธรรมภาัยดาเราก็พอที่จะนุกออกได้อธรรมภายขาวนั้นก็เปลี่ยนไปเพื่อความรู้สึกป่าจะทุกข์ทรม มันได้ผลทำไฟดำนั้นก็เปลี่ยนไปลักษณะเป็นภาละทำหาความรู้สึกเป็นอิสระไม่มีทำนองนี้มาจากอะไรมาจากจิตมาจากจิตมาจากการมจิตแต่อสังกิริษเถ ท, ทุกคติปฏิขังขาทำนองนี้แต่จิตใจส่องมองสังดูดูสังคมมูลฐานของเราก็ได้แต่ใน สังค ม, มูวลสารจิตใจอารมณ์ไม่ดีสักคนหนึ่าสังคมก็พลอยวุ่นวายไปด้วยสังคมก็พลอยไม่สงบสุขไปด้วยอันนี้ก็คล้ายกันดังนั้นเราต้องดูตรงนี้ดูจิตดูอารมณ์เข้าใจจิตเข้าใจอารมณ์เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่เราจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างชัดเจน แต่เรารู้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างชัดเจนเราก็มาทำหน้าที่ในการมีส่วนเดินตามรอยเดินตามรอยของพระยุคนบาทเราเรียกกันในหลักการว่าบาเพ็ญบุญตำนางนี่ประเภทน้ำใจอ่าเรียกว่าน้าใจใจเป็นบุญเป็นยังไงก็พอรู้จักกันแหะมันมีส่วนของความหวังดีเจตนาดี อยากปลดเปลื้องความรู้สึกของความอาัดกาัดเครื่องในแบบของความไม่สะดวกทำนองนี้พระพุทธองค์ก็มีน้าใจแบบนี้จึงมีส่วนของการทุ่มเทและกาเสียสละแนะนำสั่งสอนไม่ได้เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากแต่ท่านก็มีน้าจิตอย่างนี้เป็นส่วนประกอบ เลยทำให้เกิดความรู้สึกของพระ อ, องค์ไม่ท้อแท้ท้อถอยทำจนกว่าสุขภาพร่างกายมันจะหมดวารละทานองนี้ท่านก็ทำได้อย่างเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายก็เพราะมีส่วนประกอบอันนี้เอาเรียกว่าเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกเราก็พูดกันอย่างนั้น อันนี้ก็ไข่ควรกันบ้างใส่ตองกันบ้างว่ามันไม่ได้อยู่ที่อื่นมั น, นอยู่ในพื้นที่ของเรานี่แหละอยู่ในสถ า, านที่ของเรานี่แหละเพราะเรามีกายก็อยู่ที่นี่แล้วก็มีใจก็อยู่ที่นี่ด้วยฉะนั้นการปฏิบัติจึงอยู่ที่กายกับใจน ะ, ะเรียกว่ามีโลกกบน้ำ ทานอกนี้เราก็มามีส่วนศึกษาด้วยเก้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสำรวจตรวจให้มันเกิดความรู้สึกเข้าใจในพื้นที่นั่นอย่างถูกต้องท่องแทะอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ออกมามีส่วนจัดการแต่อะไรไม่ควรเราก็หยุดเสียอะไรที่มันมีส่วนเป็นประโยชน์เราก็นำพาตอนนั้นเรียกว่า ปฏิบัติในส่วนที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ของตอนด้วยประโยชน์ของผู้อื่นไปด้วยจำนองนี้อันนี้คือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของสัตว์ประเชริฐความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์มันก็อยู่ที่ตรงนี้แม้แต่ด้านที่เราเรียกว่าสุขภาพร่างกายยังก็ได้มาจากส่วนประกอบอันนั้น คือมาจากความมีน้ำใจน้ำใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากของบุพการีผู้ทาหน้าที่ให้ความรู้สึกนะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้อันนี้ถือว่าเรานั้นถือว่ามีโอกาสอยู่ทุกคนมีไม่ใช่ว่าไม่มีอาตมาคิดในรูปแบบของความรู้สึกว่าทุกคนนั้นสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่มีใครไม่สมมูลแต่ถ้าเรารู้จักปรับปรุงพัฒนาเหมือนกับทรัพยากรที่อยู่ในพื้นโลกจะเป็นอิทหินดินายถ้าเรามีความรู้นำมาปรับปรุงพอให้เราได้ความสะดวกได้ก็ไปจากการปรับปรุงนั่นเองภาษาพร ะ, ะเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนาแต่พัฒนามันมีลักษณะําลาย และก็สง่งเสริฟตำนางนี้มันก็มีลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็พอที่จะเข้าใจกันอยู่แล้วงั้นวันนี้ก็ในฐานะถือว่าเป็นการเวลาอันดามาก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าสังขารอันเป็นส่วนประกอบของผู้สนองงานเขายังพอทำหน้าที่ก็เลยมีส่วนตอดสนอง ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องอย่างนี้แต่ ว, ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์กันโยเพราะเราเป็นสังคมสังคมมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ตำนางนี้อันนี้ก็จึงถือโอกาสมามีส่วนกอบป่ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อเราทั้งหลายจะได้นำไปไข่ควรใส่จตรองอว่ามันมีส่วนเป็นประโยชน์อย่างไรก็พอที่จะเข้าใจกันได้ดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าสังขารอันเป็นส่วนประกอบนั้นมันขําค้าจะใช้มากเกินไปก็ไม่ได้ต้องใช้ ในรูปแบบพอให้มีส่วนได้มีส่วนเป็นประโยชน์บ้างจึงถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะอันนี้เพราะอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพอย่างนี้แต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุฉะนั้นวันนี้ที่ได้ให้ข้อคิดมาก็ขออนุโมทนากับครูสอเจตนาบาลามี คุณงามความดีอันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีส่วนเป็นประย์จงมามีส่วนรวมกันเป็นสัมมะเดชะคุ้มครองปกป้องให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็ง แ, งแรง แลก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นที่มาของสันติสุขพิมุติธรรมวันนี้ให้ข้อคิดมาก็พอสมควรแก่เวลาและเวลาก็ขออนุโมทนาและก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้